จากมาแสนไกลตั้งใจศึกษาเพื่อวันข้างหน้าจะเอาความรู้ไปให้คนทั้งบ้านเราต่อไปไม่อา้ใครเขาให้บ้านเราพัฒนามาเป็นที่หนึ่งสุขใจได้มี อนดีมากลาอาจารย์ผู้ใหญ่ช่วยสั่งสอนทราบซึ้งจงเป็นแรงช่วยผลักดันให้ฉันได้ก้าวไปถึงฝั่งฝันที่ฉันยวังนังใจต้องการเป็นความพาคภูมจากรู้ เ้าสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดังคู่รต้นโตสู่แดดลนม่วันออกดอกช่อนั้นแบ่งบางน้าตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่น การเราพัฒนานำพาด้วยคุณนทรม น, น้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทางศรัทธาใย นอบนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทางสัทธาสวัสดีครับท่นผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนำเรื่องดาวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันช่วงนี้นี่ที่ต้องติดตามนะชมก็คงเป็นเรื่องของการเปิดอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านซึ่งเป็นการทำหน้าที่ตามปกตนะิในระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภานะครับที่ มีภาพรประหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยแหละครับแต่เราก็จะเห็นว่าฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบมีการอภิปรายข้อมูลปัญหาต่างๆของรัฐบาลเนี่ยมาพูดกันในสภาเนี่ยก็อภิปรายกันมาสองวันแล้วนะครับนะซึ่งวันแรกเนี่ยวันที่16กุุมภาเนี่ยนะครับก็นาะยงตีตอบคำถามนักข่าวนะว่าก็เตรียมตัวมาอย่างดีในการที่จะตอบคำถามก็ไม่ไม่ได้ มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่ตรงตรงนี้นี่นายงตีแล้วก็รองนายงตีเนี่ยก็พร้อมนะครับก็ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็วันแรกเนี่ยนะการประชุมอภิปรายไม่พงใจเนี่ยก็มีการเสนอนะครับมีการประท้วงนะตั้งแต่แรกเลยนะครับเนะี่ยที่ในส่วนที่มีการบอกว่าจะต้องมีการนําข้อมูลเนี่ยไปหาหรือ ต่อสารน้ำนูนต่างๆหรือไม่แต่ว่าในส่วนของประธานรัฐสภาเนี่ยประธ า, านสภาผู้แทนรัษดรเนี่ยในชวนหลีกภัยนี่ยก็ยืนยันว่าให้มีการเปิดอภิปรายไ ม, ม่วางใจได้นะครับนะก็ดำเนินการกันต่อโดยนายสมพงศ์น้ำมอนวิวัฒผู้นำฝ่ายค้านนะก็มีการ อ, อภิปรายนะโดยอ่านข้อก่าวหารัฐมนตรีทั้ง10บคน นะครับแล้วก็บอกว่าจะาเป็นการวันนี้จะเป็นการบันทึกในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยนะครับนะเพราะฉะนั้น ก, ก็คือฝ่ายค้านในทํำหน้าที่นะครับในการที่จะตรวจสอบการทํางานของของรัฐบาลนะครับนะเพราะฉะนั้นนีก็ตรงนี้ก็ผู้นําฝ่ายค้านในมีการภนะิปรายกันก่อนนะครับแล้วหลังจากานั้นนี่ก็เป็นในส่วนของคุณสุธทิงคลังแสงนะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นวิป ของฝ่ายข้านก็มีการาพิปรายนะเกี่ยวกับเรื่องของอกล่าวหาในส่วนของนายงตรีเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานหลายด้านนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพของการทํางานการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด -19 อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็บอกว่าเศรษฐกิจเรามีปัญหาทีไอเอได้ชี้ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตต่ำสุดในอาเซียนนะครับนะเป็นอันดับ ท้ายแล้วก็นี่สาธารณะนี่พุ่งจาก7ล้านล้านก็เป็นเก้าล้านล้านนะครับก็เป็นยุคที่ประชาชนนี้ยากลําบากเหมือนกันนะครับก็มันก็เป็นท่าทีของฝ่ายค้านนะครับเนีเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็บอกนะครับแล้วก็ GDP เนี่ยบอกว่าของเรานี่ติดลบประมาณร้อยละหนะครับนะซึ่งเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็ถือว่าอยู่ในสภาวะที่สาหัสสากัญเหมือนกัน นะครับนะเพราะในตรงนี้นี่คงจะต้องอะจะให้รัฐบาลเนี่ยมาตอบคำถามเหมือนกันส่วนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวศนะหัวหน้าพักเสรีรวมไทยเนี่ยนะครับนะก็มีการอภิปรายนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ่อนนะครับนะบ่อนการพนันต่างๆนะครับนะซึ่งบอกว่าจริงๆแล้วนี่ก็อยู่ในการรับผิดชอบของอ ในส่วนของพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและก็พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานรัฐมนตรีมหาไทยนะครับนะก็บอกว่าการแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของบ่อนการพนันนะครับนะก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับนะเพราะเป็นแหล่งที่จะแพร่เชื้อโรคนะครับนะโควิดนี่แหละครับนะเพราะนั่นก็อยากเรียกร้กองให้นาะยกรัฐมนตรีและก็ในส่วนของตํารวจที่กํากับดูแลตํารวจมา มาดู แ, แลล้ครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกาเกี่ยวกับเรื่องของบลักการพานันนะครับนะเพราะในตรงนี้นี่ก็มีการอภิปรายแล้วก็มีการประท้วงกันนะแล้วอย่างที่เราเห็นเห็นกันนะครับนะว่าว่ า, ว, าว่าเป็นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะก็ในส่วนของพลเอกประยุทธ์เนี่ยชีย้แจงนะครับว่าเกี่ยวกประเด็นที่นายสุทินกล่าวหานะเรื่องไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินนิสินต่างๆนี่ก็บอกว่าได้แจ้งเพิ่มเติมไปแล้วนะ แต่อยู่ที่ปปชว่าจะเปิดเผยเมื่อใดนะครับนะแล้วก็ควรการบริหารการแพร่ระบาดของโควิดก็ทําอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบอลการพนันนี่ก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปรับปรามอย่างเด็ดขาดนะครับนะก็เป็นการชี้แจงของในส่วนของรัฐบาลต่อข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านก็มีการตอบโต้กันไปมาแล้วครับนะก็ซึ่งเป็นก็เราก็ฟังกันไปนะครับนะตอะนั้นก็ มีการอภิปรายกันยาวนะครับนะทั้งสสฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับนะรัฐมนตรีเนี่ยขึ้นมาชี้แจงเป็นระยะระยะนะชาวบ้านก็จะได้ประโยชน์นะครับนะเพราะนั้นก็อยากจะให้พวกเราติดตามกันอภิปรายกันไปเรื่อยๆนะครับมาบฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ อบใจโซโซมาวัดตะโกกราบหลวงพอ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพอ่อลูกมันคนจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแทนอนอ พอพรหลวงพ่อช่วยทีอำเภอพาชีอยุทธยามุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์ใหม่สานต่อนานเต็มทีอยู่ก็ร่มเย็น เบื้องอัวงามตามาเจดีเป็นศูนย์รวมใจพาชีเป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งนโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนชนะจนขึ้นขอสวมเห็บพันล้านที่ขอมือควา ปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบางนะให้สมคำว่าสิทธิ์หลวงพ่อรวยฝากใจโซโซให้วัดปะโกแผ่บุญบันดาล สิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านทุกปันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสยูยพานักที่ยังล้มป่วยพ่ อ, พอรวยโปรดช่วยที่ทา ส่ นโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนชนะจนขึ้นขอสวมเล่ดพันล้านที่ข้อมือขวาปัดเป่าพามจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบางนาให้สมคำว่าสิทธิหลวงพ่อรู้ ปากใจโซโซให้วัดปะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านทุกวันวอนพ่อให้ช่วยบาที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความโศยฐานักที่ยังลมปวยพ่อรวยโปรดช่วย ครับครับมาพูดมาคุยกันต่อนะครับในส่วนของรายการนะครับเนดะี๋ยวเราก็จะมาคุยกัน การอภิปรายของฝ่ายค้าน ต, ต่อต่อรัฐบาลนี่ค่อนข้างที่จะเข้มข้อนนี่ก็คือวันวันที่สองแหละครับนะมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเกรณีของการเหมืองทองนะครับเหมืองทองของคินคิงเกตนะครับนะซึ่งสสจิรพอ์สินธุภัยสสร้อเอ็ดเพื่อไทยเนี่ยอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของ ที่นายยงตรตีเนี่ยใช้มาตราสี่สิบสี่ไปปิดเหมืองนะแล้วก็ถูกบริษัทอัคราไมนิ่งนะซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทคิงเกตนะครับนะที่ออสเตรเลียเนี่ยถูกฟ้องล้องในอนุโยอนุโยทูลตลาการในระดับประเทศนะก็มีแนวโน้มว่าจะแพ้นะซึ่งก็เรียกร้องค่าเสียหายมูลค่าสองหมืนห้าพันล้านนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็มีข่าว เหมือนกันนะครับของสสเนี่ยมาเปิดเผยไว้ในส่วนนี้รัฐบาลนี่มีการอนุญาตโดยกระทรวงสารกรรมสุอนุญาตให้บริษัทนี้เข้าสำรวจพื้นที่รวม44แปลงเมื่อที่ประมาณ 400,000 ไร่ในเขตแถวจังหวัดเพชรบูรณ์และใกล้เคียงเพื่อที่จ ะ, ะเปิดทำเหมืองต่อหรือไม่นะครับนะเพราะนี่ก็เป็นการเอื้อประโยชน์นะเพื่อให้มีการถอนฟ้องหรือไม่นี่ก็เป็นคาถามซึ่งในส่วนนี้ก็ กระทรวงศากรรมก็คงจะต้องตอบนะฝ่ายค้านนะครับนะเพราะเป็นข้อสงสัยขอ ง, ของฝ่ายค้านนะครับนะซึ่งก็ต้องฟังนะครับการตอบของรัฐมนตรีรวมทั้งในส่วนของสสวิโรดลัคนาดิสนนะของก้าวไกลก็พูดถึงเรื่องความผิดพลาดการบริหารจัดการวัคซีนโควิดนะของนายงตรีและก็รัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับนะเพราะในตรงนี้นี่เรา ที่เราเนี่ยไม่ยอมเข้าร่วมโครงการวัคซีนขององค์การอนามัยโลกนะคือโควัคของประเทศต่างต่างเนี่ยนะครับโดยอ้างว่าเราเป็นประเทศที่มีฐานะร่ํารวยนะก็ไม่ได้เข้าไปแต่จริงๆแล้วมีประเทศที่ร่ํารวยกว่าเรานะอย่างสิงคโปร์ในสระและกระส่วงสหภาพยุโรป เ, เข้าร่วมและได้วัคซีนราคาถูกแล้วก็ได้กันไปแล้วเนี่ยนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็มีการ พูดถึงเหมือนกันแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอประสิทธิภาพของวัคซีนแอสตาราเซเนกาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะเพราะกวมีรายละเอียดอยู่ตามสื่อนะต้องไปตามดูนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็ในส่วนนี้ก็มีดัชนีสาธารณสุขก็มาพูดนะมาตอบโต้เหมือนกันนะครับว่าเรานี่ก็จะได้วัคซีนครบนะภายในเดือนกุมภาพันธ์นีก็จะได้นับแสนโดสเลยทีเดียว นะครับนะก็มีการยืนยันอย่างนั้นนะครับนะก็คงจะต้องติดตามดูนะการอภิปรายมันจะมีหลายๆประเด็นเพราะว่ารัฐมนตรีมีมีสิท่านนะก็จะทยอยอภิปรายนะรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเนี่ยไล่ไปทีละคนทีละคนนะแล้ก็จะเห็นมีเรื่องนะที่ที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของรัฐมนตรีแต่ละคนก็ต้องมามาตอบคําถามแล้วครับมาตอบคําถามนะว่า เป็นอย่างไรกันบ้างมาชี้แจงก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบการทำงานของของรัฐบาลของฝ่ายค้านนะที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะฮะในในในช่วงวันสองวันนี้นะหลายท่านก็ติดตามได้นะครับจากในส่วนของสื่อต่างๆนะครับนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่อย่างไรก็แล้วแต่นี่นะก็ในในส่วนนี้ในส่วนของนะ ปัญหาภัยแรงนี่ก็เริ่มที่จะมาแล้วนะครับนะซึ่งมีข่าวว่าในส่วนของทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําซึ่งเป็นองค์กรมหาชนโดยดรรอยน์จิตต์ตอนเนี่ยได้เตือนว่าปีนี้อาจจะมีภัยแรงภาคเหนือภาคกลางนะครับซึ่งก็จะรุนแรงซึ่งก็จะกระทบแล้ครับเพราะว่าเราก็เจ อ, อปัญหาภัยแรงกันมาแล้วนะครับนะจากปีที่แล้วนะทั้งภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยครับคงจะต้อง ช่วยกันนะครับบริหารจัดการน้ำนะโดยเฉพาะนะแถวจังหวัดแถวอีสานใต้เนี่ยก็ต้องระวังนะดรรอรยนจิตดอนก็เปิดเผยบอกว่านะปีนี้เนี่ยไทยเราเนี่ยมีฝนตกเฉลี่ยประมาณ7 0 0 0แสนล้านลูกบาทเม็ดครับและวกลับมีน้ำไหลลงอ่างเฉลีย่ยเพียงปีละประมาณ4 2 0 0 0ล้านลูกบาทเม็ดนะซึ่งเพราะฉะนั้นในเขื่อนใหญ่หญเนี่ย ตอนนี้ความจุเนี่ยนะครับ น, ะน้ำไม่เต็มเขื่อ น, นมีนะอ่างเก็บน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีจำนวนลดลงเพราะฉะนั้นนี่ก็เกิดอาจจะเกิดปัญหาภัยแรงต่อเนื่องเป็นปีที่สนะหลังจากปี 6-2 สองนี่คงจะต้องมีการตั้งรับกันให้ให้ดีเพราะว่าฝนแปรปลวนนะไม่เกิดฝนตกน้อยติดต่อกันมา 2-3 สาปีแล้วนะครับนะเนี่ยก็เป็นการพยากรของ สถาบันทรัพยากรน้ํานะครับแล้วก็เขื่อนในลุ่มน้ําเจ้าพยาบ้างนะครับลุ่มน้ำํำต่างๆเนี่ยก็มีน้ําที่ไหลเข้าเขื่อนนีอน้อยลงนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีการสร้างถนนสร้างรถไฟขวางทางเดินน้ําอะไรต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้ น, นตรงนี้นี่สีเขื่อนหลักแถวลุ่มน้ําเจ้าพยาไม่ไว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิตเขื่อน แค่น้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าศักดชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำใช้รวมกันประมาณ4 0 0พันล้านลูกบาทเมตรแต่ละบายน้ำไปแล้วประมาณ 2,300 ล้านลูกบาทเมตรนะเพราะนั้นตรงนี้นี่ก็ถือว่าน้ำในเขื่อนเนี่ยลดน้อยลงอาจจะแรงถ้าชาวนาทํานาปลังนี่ก็จะมีผลกระทบเหมือนกันนะครับนะเพราะนั้นในแถวลุ่มน้ำเจ้าพยาแล้วก็จะมีทางอีสานนี่ก็จะมีลุ่มน้าชีลุ่มน้ามูล นะครับซึ่งก็จะต้องดูนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็มีปริมาณ น, น้ําในอ่างเก็บน้นํานี่ค่อนข้างที่จะลดน้อยลงนะแถวโคราชนี่ลําตะคองนี่กนะ็น้ำนี่น้อยนะแถวบุรีรัมณีเขื่อนอ่างเก็บน้ำํำห้วยชลเชะมากนะก็ปริมาณ น, น้ํานะน้อยก็ต้องเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภคเท่านั้นนะครับมาทําการเกษตรก็คงจะจะไม่ได้นะครับเพราะในตรงนี้คงจะต้อง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 ส่ง 那样美。 ฉัน สนีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่น ท่านวิสไฝ่ค า, านพอใจภาพรวมอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุเป็นสิทธิ์ของนายสุเทพเทือกสุบันที่จะฟ้องร้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองถูกอภิปรายพลาดพิงกรณีโฮปเบลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะการใช้ทรัพยากร อ, อย่างคุ้มค่าคืออีกแนวทางที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้อย่างประหยัดคือใช้เท่าที่จําเป็นการนากลับมาใช้ซ้ําเช่นกระดาษถุงพลาสติก กาใช้สิ่งอื่นๆทดแทนเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีและการดูแลซ่อมแซมที่ช่วยยืดอายุการใช้งานสิ่งต่างๆเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานๆและคุ้มค่ามากที่สุดรักโลกร่วมพิทักรักสิ่งแวดล้อมสวัสดีเมืองไทย